ใครผู้อยู่เดียวเปลี่ยวกันมองไปข้างในก็ไม่มีใครยิ้รักเราจม อ, อยู่กับความเงียบเหงาเห็นคนอื่นเขานั้นมีคู่ใจ ฟ่วงไปไหนมาไหนเป็นคนรู้ใจเหมือนใครเอาเยงเงาจับจับมันนาแหบขาใจคนมีพวกเขาไม่รู้รอกความเดิมที่แยกไม่อออ คอยตามหลอกห้อนจิตใจคนมีคมู่เขาคงยินได้คนโสดต้องคนเดียวได้ผมไม่มใครสักคนซักวันจะมีหม คนที่เฝ้ารอจะผ่าพอมเหงาออกจากใจไม่รู้อีกนานแค่ไหนสงสารหัวใจไม่เคยมีใครมาดูแล คอยตามหลอกหลอนจิตใจคนมีคู่เขาคงยิ้มหน้คนโสดต้องคนเดียวได้ก็ไม่คมีใครสักคนคนมีคู่เขาไม่รู้รัความเหงาแยกไม่ต่อคอยตามหลอกหลอนจิตใจ ต้องคนเดียวได้ยก็ไม่มีใครสักคน